ที่จริงแล้วการปฏิบัติเนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องเลยจะเรียนได้เร็วนะพวกที่เคยเรียนแล้วเคยฝึกแล้วยิ่งพวกฝึกสมาธิจะเรียนยากถ้าคนที่ไม่เคยฝึกไม่เคยรู้เรื่องจะง่ายฝึกสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะฝึกกายเวทนาจิตธรรมก็คือการฝึกรู้ทุกนั่นเอง ให้เจ้าสอนหลักของการปฏิบัติบอกให้รู้ทุกให้ลาสมุทัยนี้ตัวทุกก็คือขันห้าการเจริญสติปัฏฐานก็เป็นวิธีดําเนินการรู้ทุกนะรู้กายกายานุปัสสนาก็รู้รูปรู้กายที่เหลือก็เป็นส่วนของนามธรรมาเวทนาขจิตรานุปัสสนาเนี่ยจะเรียนในส่วนที่เป็นนามธรรมาส่วนธรรมานุปัสสนาเนี่ยมีทั้งรูปและนาม เบื้องต้นก็ให้เราเรียนที่กายที่ใจอันเดียวก่อนก็พอนะรู้กายรู้ใจเมื่อเรารู้ชำนิชำนาญแล้วมันจะเข้าไปสู่ธรรมานุปัสสนาเองคือจะรู้ได้ทั้งกายทั้งใจแต่ว่าการจะเริ่มต้นปฏิบัติก็ต้องทําความเข้าใจก่อนอย่างรู้กายรู้เพื่ออะไรรู้ใจรู้เพื่ออะไรต้องรู้เป้าหมายถ้าเราปฏิบัติโดยเราไม่รู้ความมุ่งหมายเราก็จะสเปะสปะ สติปัฐานสนะี่นั้นทำไปเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวเพื่อให้สติเกิดเนืองๆ ห, หลักของสติปัฐานสนะี่ใกายานุปั ส, สนาก็ทําทให้มีสติเมทนานุปั ส, สนาจิตานุปั ส, สนาลนะ้วนแต่ทาเพื่อให้เกิดสติเมื่อไร่เกิดสตินั้นะกุศลก็เป็นอันถูกละไปกุศลก็เจริญขึ้นมานการจะรู้กาย นะรู้อย่างไรรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมอย่างไรเราเรียนอันเดียวก็จะเข้าใจอันที่เหลือได้เพราะว่าใช่หลักอันเดียวกันการรู้กายไม่ใช่การเพ่งกายไม่ใช่การคิดเรื่องกายอุปสรรคร้ายแรงของผู้ปฏิบัตินะมีสองอย่างหนึ่งเพ่งกายข้อสองคิดเรื่องกายการเพ่งกายการคิดเรื่องกายนีย้ทำให้การรับรู้กายของเราเบี่ยงเบนผิดความเป็นจริงไป จิตใจก็เปลี่ยนเปลี่ยนผิดปกติแข็งแข็งทื่อๆร่างกายก็ผิดปกติแข็งแข็งทื่อๆไปถ้าเราดูคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมายถึงให้เรามีสติตามะระลึกรู้กายอยู่เนืองเนืองหมายถึงให้เราคอยรู้กายอยู่เนืองเนืองการรู้กายไม่ใช่รู้ไว้ก่อนต้องระมัดระวังนะส่วนใหญ่จะพอคิดถึงการทํากายานุปัสสนาเนี่ย จะจ้องกายไว้ก่อนรอดูว่าเมื่อไหร่จะมีอะไรเกิดขึ้นในกายหรือเมื่อไหร่เวทนาจะเกิดเมื่อไหร่จิตจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้การดักรู้ไว้ก่อนนะไม่ใช่การตามรู้มหาสติปัฏฐานถ้าลองอ่านคาสอนของพระพุทธเจ้าให้ชัดๆเนี่ยกายอนุปัสนาคือคาว่ากายกับอนุปัสนาเมตามรู้กาย ตามรู้เวทนาหมายถึงกลายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะพวกเรานักปฏิบัติพอคิดจะรู้กายเราก็ทํากายให้ทื่อๆไว้ก่อนนะแข็งๆทื่อๆนี่ผิดปกติเราต้องการรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงไม่ใช่เป็นบิดเบือนการรับรู้หรือบิดเบือนอารมณ์ไม่บิดเบือนทั้งจิตไม่บิดเบือนทั้งอารมณ์พอเราบิดเบือนแล้วความทุกข์จะเกิดอย่างกําหนดลลมหายใจหายใจตั้งแต่เกิดไม่เหนื่อยใช่ไหม ทำน้ำลมหายใจเหนื่อยเดินได้ปกติเดินได้ทีหนึ่งหลายๆชั่วโมงเราไม่เดินจม ก, กลมเมื่อปกติจิตใจเขาธรรมดาธรรมดามีสุขบ้างทุกบ้างเบาๆบานะพอลงมือปฏิบัติจิตใจก็แข็งแข็งแน่นแน่นหนักหนักนะจิตที่แข็งจิตที่แน่นจิตที่หนักมันคืออกุศลจิตมันไม่ใช่มห า, ากุศลจิตนะต้องจำแนนให้ชัดชัด มิฉนั้นพวกเราจะหลงสร้างอากุศลโดยคิดว่ากําลังเจริญกุศลอยู่นะลองศึกษาองค์ประกอบของมหากุศลจิตหนจิตจะต้องตั้งมัน่นสงบระ ง, งับหมายถึงว่าพอจิตไปรู้อะไรก็อย่าปรุงต่อนะให้มันจบไปตรงที่รู้นั่นแหละเช่นตามองเห็นสาวสวยจิตเกิดราคะรู้ว่าจิตมีราคะให้มันจบอยู่ตรงนี้ อย่าต่อไปว่าจะละราคาได้ยังไงจะละราคาได้อย่างไ ร, ะะ ร, ไ, ง ไ, รไม่ใช่มหาสติปัฏฐานละ้ไม่ใช่การตามรู้แล้วท่านบอกจิตมีราคารู้ว่ามีราคะให้รู้เอาเท่านั้นรู้ตามที่มันเป็นนะอย่าดักไว้ก่อนอย่าจ้องไว้ก่อนมันจะพลาดกายก็จะแข็งแข็งใจก็จะแข็งแข็งั้นจิตที่เป็นมหากุศลเป็นจิตที่พอกระทบอารมณ์พอรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางนะมีปัจสัติ สงบระงับรู้ละวางไม่ใช่รู้แล้วก่อเรื่องต่อไปอีกพอเจออารมณ์ดีก็อยากรักษาเจออารมณ์ร้ายก็อยากแก้ไขนั้นอยากทั้งคู่นะสิตที่เป็นมหากูุสลนต้องเบาๆถ้าเมื่อไรเรากำหนดแล้วหนักๆ น, กนะผิดนะหนักไหมตอนนี้รู้สึกไหมว่ามันมันหนักกว่าปกติมันหนักนนกว่าตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติรู้สึกไหม มันนิ่งๆมันแข็งๆกว่าความเป็นจริงตอนที่ไม่ได้ปฏิบัตินะรู้สึกทันไหมนั่นเราสร้างขึ้นมานะเราสร้างขึ้นมาโดยคิดว่านี่แหละคือการปฏิบัติควจริงเรากําลังดัดแปลงจิตอยู่ดัดแปลงอารมณ์เช่นเดินให้ช้าๆดัดแปลงจิตก็คือทําใจให้ทื่อๆให้แข็งแข็ ง, ขงให้นิ่งๆนะจิตที่เป็นมหากรุสุลต้อมีจิตปัสสัตติสงบระงับจิตมีละหูตาเบา มีมุ้ทุตานุ่มนวลของเราไม่นุ่มแต่แข็งจิตของเราจะต้องมีกามัญญาตาคือไม่ถูกตัญหาและทิฏฐิครอบงำ ม, มันจะทํางานได้ตามความเป็นจริงแต่เราอยากปฏิบัติพอคิดจะปฏิบัติก็อยากปฏิบัติจิตไม่ได้ควรกับการทํางานแล้วจิตพิการลนะ้วตอนนั้นจิตไม่มีความคล่องแคล่วแต่นิ่งนิ่งทื่อ่อไม่ขาดตาคุณตา จิตขาดอูชุกตาไม่ได้รู้อย่างซื่อแต่ตั้งหน้าตั้งตาจะรู้อย่างเอาเป็นเอาตายจะต้องค่อยๆปรับสิ่งที่คลาดเคลื่อนออกจากกุศลนี้นี่เป็นหางกุศลนะเพราะมหากุศลจิตในองค์ประกอบของมหากุศลจิตต้องครบอ่อนโยนเบานุ่มนวลสลาสรวยค่องแคล่วว่องไว เมื่อไรชื้อชื่อเมื่อไรแข็งแข็งต้ตระหนักนะว่าสร้างอากุศลขึ้นมาโดยคิดว่ากําลังทํากุศลอยู่แม้ว่าพอความไม่เข้าใจเกิดขึ้นเนี่ยเราลงมือปฏิบัติอะไรให้คลาดเคลื่อนไปได้เยอะเลยเดีย๋ยวพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกเราอยากละทุกทสอนให้รู้ทุกให้ละความอยากละสมุทยัยแต่ยเราอยากละทุกเห็นกิเลสเกิดขึ้นจะละยังไงดีนะไม่รู้ตามความเป็นจริงนะ ทำเกินที่ครูบาอาจารย์นะที่ เ, เกินที่พระพุเทธเจ้าสอนเพราะนอย่าจ้องไว้ก่อนนะยังเคยที่จะต้องไว้ก่อนยังแข็งรู้สึกไหมดูออกไหมว่าจิตขนานนี้กับจิตตอนที่ไม่ปฏิบัติยังไม่เหมือนกันอะไรเป็นส่วนต่างนั้นแ่ะคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาด้วยความเห็นผิดว่าคือการปฏิบัติ พอเราคิดถึงการปฏิบัติเราลงมือดัดแปลงจิตใจของเราให้มันผิดธรรมดาหน้าที่ของผู้ปฏิบัติไม่ใช่ดัดแปลงจิตไม่ใช่ดัดแปลงอารมณ์แต่เข้ารู้ไปตามรู้ไปสบายๆเขาเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อไรรู้สึกแข็งผิดรู้สึกนิ่งนิ่งซึมซึ ม, มผิดแล้วใจลอยรู้ไมรู้จักใจลอยอยัง มันหนีไปหนีไปเที่ยวหนีไปได้ไกลไกลเพราะรู้ทันมันรู้ทันว่าอยากปฏิบัติรู้ทันว่าอยากปฏิบัติตกแนละ้วอะไรเกิดขึ้นรู้ตามความเป็นจริงนะั่นคือการปฏิบัติเพราะฉะนั้นอยากปฏิบัติก็คือปัญหาเกิดขึ้นมาแนละ้วโลภะเกิดขึ้นแล้วมีสติระลึกรู้ปัญหาที่กาลังปรากฏ นะนั่นกําลังจเจริญธรรมานุปั ส, สนาอยู่พยักหน้ารู้ว่าพยักหน้าอยู่ไม่ใจลอยแล้วก็ไม่เพ่งกายจนแข็งๆนะอย่างนี้ไม่เอานะอนี้ผิดธรรมชาติหมดเลยนะมบอกรู้หมดเลยนี่เคลื่อนมือไปแล้วนะหยิบแล้วนะโอ้ตายนะถ้าสมัยพุทธกาลพระทําอย่างนี้เราก็ศาสนาพูดเกิดขึ้นไม่ไหวเลย ศานะ ส, สนาอื่นมันลุงปีเลยเวแล้วศา ส, สนาอื่นเวลาเขาเข้ามาในวนะัดพุทธเนี่ยเขาบอกว่าทําไมพระมีความสดชื่นทําไมพระเบิกบานในขณะที่สดชื่นเบิกบานมีความสงบด้วยเนี่ยศา ส, สนาอื่นเขาเข้ามาเขามาเห็นเอ๊ะชาวพุทธเป็นอย่างนี้แปลกศาสนาอื่นเคร่งเครียดนะนี่กลรเ น, น่งจะเคร่งเครียดบังคับกายบังคับใจจนเครียดไปหมดเลย ในขณะที่ชาวพุทธเนี่ยเบิกบาน ร, รู้ตื่นเบิกบานเนี่ยคนในครั้งพุทธการเห็นการความแตกต่างนี้เขาก็เลยยกย่องศาสนาพุทธแต่ของเราบอกเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแต่เรามากักจะทำตัวให้เป็นลูกศิษย์นิครนนะเช่นพยายามกดข่มบังคับใจใ ห, หลักของนิครนเลย ขมใจมีกิเลสเหรอจิตมีราคานะเหรอเป็นนอนบนตะปูหรือที่ราคะจะเกิดไหวไหมมีอะไรเยอะนะที่เราไม่ใช่พุดจริงๆหรอกอย่างเรื่องกฎแห่งกรรมเราก็ไม่ใช่กรรมแบบพุทธนะส่วนมากกรรมแบบนิโครนอีกเลยนิครนนี่มันเก่งนะในเมืองไทยนี่ไม่มีศาสนานิครนนะก็ะซ่อนอยู่ในศาสนาพุทธยิ่งจนบางทีเราเชื่อเจ้ากรรมนายเวร แคากำนนเวรไม่ใช่พุดธนะนั่งใช้กรรมไม่ใช่พุดมีเยอะนะลองสำรวจดูโอ้ความเชื่อแปลกๆเยอะคือทั้งนักปฏิบัติก็มีความเชื่อแปลกๆที่ว่าต้องปลอมแปลงต้องดัดแปลงต้องบังคับบังคับกายบังคับใจนะบาบังคับได้ดีตลอดกิเลสไม่เกิดแล้วก็ม่รู้พระอรหันต์ไม่บรรลุหรอกบรรู้ไม่ได้หรอก การจะรู้แจ้งในธรรมะก็ต้องเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเห็นลงไปในกายเห็นลงไปในใจตามรู้ไปรู้ไปจนกระทั่งเห็นว่าบังคับไม่ได้เห็นว่าถ้าเข้าไปแทรกแสงเมื่อไรความทุกข์จะเกิดขึ้นแทรกแสงกายก็ทุกข์นะแทรกแสงจิตใจก็ทุกขนะ์นะอึดอัดแข็งแข็งทุกบเบาเบาจิตนี้ไมคิดทราบไหม จิตมันหนีไปคิดทราบไหมเนอทราบบ่อยๆนะทราบบ่อยๆเั็นไหมว่าตรงที่ทราบเนี้ยตรงเนี้ยเบาแล้นุ่มนวลใช่ไหมกายก็นุ่มนวลจิตใจก็นุ่มนวลเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรามีสติรู้สภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงกายก็จะเบาจิตก็จะเบาก็จะเห็นกายเห็นจิตเนี่ยเขาทํางานไปบังคับเขาไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรา นะพอเห็นว่ากายกับจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวเราสักกายทิฏฐิก็จะขาดเพราะฉะนั้นการที่ฝึกพยายามบังคับกายพยายามบังคับใจเนี่ยสักกายะทิฏฐิจะไม่ขาดออกแต่ฝึกแล้วสักกายทิฏฐิจะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมานาตาจะยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะกูเก่งกนะิเลสอะไรมานี่กูดูทีเดียวขาดหมดเลยนะกูเก่งหนีไปคิดแล้วทราบไหม เออบอกแล้วทราบยังดีนะบางคนบอกแล้วยังไม่ทราบเลยเถียงอีกบางคนบอ ก, NO. บอกว่าเอา well. ้าหนีไปคิดแล้วนะไม่ได้คิดหรอกค่ะนั่งฟังอยู่กฟังอย่างเดียวแล้วฟังย่างเดี้ยวโอ้ยางนี้อาการสาหัสคือเห็นมองไม่เห็นสภาวะเลยถ้าเราเห็นตัวสภาวะรู้ว่าจิตทํางานอยู่ที่ไหนเนี่ยหัดรู้สึกไปอย่างนี้นะไอ้ที่ทํำตะกี้กับของเค เริ่มเริ่มทำอีกแล้วใช่หมกวาเป็นฝั่งว่ากรนมาลว่าให้ปดูเป็่หนดอยู่ัะเรียรู้ว่ารู้ว่ากาลังจะอยู่ในเตง้องระวังนะนะมัดมากตรงนี้คำว่าหลงดูหลงฟงังหลงคิด<ม>นะก็คือไม่สักว่าดูไม่สักว่าฟังไม่สักว่าคิดเหตุนาทำจงใจทำนะก็คงเก้หมดเลย อืเอนั่นเป็นเรื่องของสมถะนะนะคิดแล้วก็คอยอบรมจิตใจตัวเองอย่าทำอย่างนี้นะไม่ดีนะอะไรเงี้ยทําอย่างนี้ดีกว่าแพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ไม่ได้สอนให้คิดเรื่องทุกข์อืมแค่รู้ว่าคิดเนี่ยความคิดจะขาดสะบั้นทันทีเลยถ้ารู้เป็นนะ ก็าะอะไรถูกไหมเพราะความคิดไปตามอำนาจของกิเลสเนี่ยต้องคิดตอนเผลอเท่านั้นเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นหยุดคิดทันทีเลยจะไม่คิดอะไรเ ป, ปลี่ยนปะละนกิเลสจะเกิดขึ้นไม่ได้ทันทีที่มีสติสังเกตไ้ยต้องใจลอยก่อนถนงจะคิดถ้าไม่ใจลอยนะไม่ไปคิดอะไรเปล่ปะหรอกสงสัยใช่ไหมหนีไปคิดใช่ไหมเผลอใช่ไหม อา้าวก็ถูกแล้วไงเขาสอนถูกแล้วเขาสอนให้เราอยู่กับโลกเขาพูดทีเจ้าสอนให้ข้ามโลกถ้าเราจะอยู่กับโลกเราก็คิดไปคิดให้มีเหตุมีผลเราก็อยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขแล้วถามว่าพระที่นัดปฏิบัติเนีคิดไหมคิดนะแต่ความคิดเนี่ยเราคิดด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่คิดแบบใจลอยคิดเรื่อยๆไปแงกิเลศพาคิดนะไม่เหมือนกัน ตอนนี้เผลออีกแล้วรู้ไหมอยากพูดรู้ไหมเห็นแรงสักงไหมหแรงดันอยู่ในหน้าอกอ่ะมาออกไหมอลองดูก่อนดูกันเดี๋ยวพี่พูดทีหลังเห็นแรงสักงไหมมันอึดหัดอ่ะรู้ไหมนั่นแหะเรียกว่าปัญหาแล้วนะนะการปฏิบัติธรรมถ้าไม่สามารถเห็นตัวสภาวะได้นะไม่ใช่วิปัสสนานะมีวิคิดแล้วรู้ไหมหนีไปไกลด้วย รู้ทันลงไปสัง เ, เกตไหมว่าตรงที่รู้ทันเนี่ยความรู้สึกตัวเกิดขึ้นแค่เราตื่นขึ้นมาตอนที่ตื่นอยู่เนี่ยกิเลสครอบงําไม่ได้แต่เนี้ยถ้าจะคิดอะไรนะจะคิดอย่างมีเหตุผลนะไม่ใช่คิดเข้าข้างตัวเองหลงอีกแล้วรู้ไหมหลงคิดอ่ะอยากพูดรู้ไหมเห็นแรงผักไหมนั่นะดูลงไปดูเสี้ยแรงนะั้นอ่ะเที่ยงไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาเห็นไหมแล้วก็ดับ ตอนนี้ไม่ได้อยากพูดแล้วดับไปแล้วดูออกไหมอย่าไปเที่ยวหาอย่างนั้นหาไม่เจอเพราะมันดับไปแล้วอรู้ตัวขึ้นมาธรรมะไม่ได้อยู่ข้างในน ะ, ะรู้ไหมว่าหลงเข้าข้างในจิตเข้าข้างในถ้าไม่รู้ว่าเข้าไปข้างในก็คือหลง น, นั่นเองเนี่ยหลงหนีไปอีกแล้วดูออกไหมหนีไปอีกแล้ว นี่หัดอย่างนี้นะถ้าไม่เรียนตรงนี้เราก็ไม่เข้าใจศาสนาพุทธเลยเพราะว่าจะไม่รู้จักคาว่าสติที่บอกว่าเจริญสติเจริญสติอุ้ยไปทางไหนก็มีแต่คนเจริญสติมันจะเจริญได้ยังไงยังไม่รู้จักสติสติยังไม่มีเลยจะเจริญไม่ได้หรอกต้องรู้จักสติก่อนอยากรู้จักสติก็ต้องรู้จักว่าไอ้ที่ไม่มีสติเป็นยังไงเผลอเป็นยังไง ถ้ารู้ว่าเธอเป็นไงก็จะเกิดสติพอมีสติแล้วคราวนี้จเจริญสติได้แล้วคล้ายๆเราจะปลูกข้าวเราก็ต้องมีเม็ดข้าวก่อนอยากจเจริญสติก็ต้องหัดมีสติก่อนไม่ใช่อยู่ๆก็ลงไปเดินไปนั่งไปนอนเลยนะสติยังไม่มีก็ลงไปเพ่งกายอ่าขึ้นมานะ๋ยวเข้าไปท้างในเข้าไปหาห้างในรู้สึกไหมว่าใจทื่อๆอีกแล้ว ไม่หาเอย่าเอาความคิดความเห็นเข้ามาใส่ค่อยเฝ้ารู้ไปแล้วเดี๋ยวเข้าใจง่ายๆ ง, ง, ง่ายมากเลยสิ่งที่ปิดกั้นเราไว้จากธรรมะนี่ยนะมีสามอย่างอันหนึ่งคือความอยากของเราเองปัญหาอยากปฏิบัติมากเลยยิ่งอยากมากยิ่งไม่เข้าใจอันที่สองคิดถี่ชอบชอบคิดอ่ะพอฟังธรรมะแทนที่จะรู้สภาวะไปเลยแล้วก็คิดใหญ่เลยยิ่งคิดยิ่งไม่รู้เรื่อง อีกตัวหนึ่งก็คือมานะถือว่าชั้นแน่นะพวกนี้อาการหนักเป็นแบบชาห้นถ้วยงั้นถ้าไม่มีสามสิ่งนี้นะจะเข้าใจธรรมะได้ง่ายที่สุดเลยธรรมะอยู่ต่อหน้าอยู่แล้วอย่างที่หลวงพ่อชี้ให้ดูความอยากตะเกียบเห็นไหมดูได้ไม่ใช่ดูไม่ได้นะใครๆก็ดูได้แต่ไม่เคยดูปล่อยให้มันสั่งเราเอ้าพูดเลยออาพูดละเจ้านายสั่งให้พูดเราพูดแล้ว เจ้านายสั่งให้ดา่าเขาก็ด่าแล้วทำไมเราถูกตัญหาสั่งนำไมเราเฝ้ารู้ทันมันผุดขึ้นมารู้มันแล้วมันก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนอกจากะบวกการเราไม่ได้นะยังแสดงธรรมะให้เราดูซะอีกหนยะคือแสดงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเผลอไปแวบหนึ่งรู้ไหมเมื่อกี้เนี้ยจิตมันหนีไ ป, อไปเออบอกแล้วรู้อ่ะดีแล้วนะรู้ก่อนไม่ได้ ต้องตามรู้เห็นไหมสกิปประานตามรู้เนะี่ไม่ใช่รู้ก่อนบอกอ่ะเนี่ยผมนั่งดูอยู่แล้วไม่เผลอเลยเนี่ยจะหนีเมื่อไหร่ผมรู้ตลอดเนี่ยผมหลงตลอดเลยไปหลงต้องเอาไว้นะเห็นไหมหนีอีกแว บ, บหนึ่งเห็นไหมตรงที่แวบเนี่ยนะถ้าเราไม่มีสติเนี่นะก็จะไปคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างกูสนเกิดขึ้นบ้างกูสนเกิดขึ้นบ้างเห็นไหมทําทไมเอ๊ะหลงไว้แท้ๆเกิดกูสนได้ด้วย ตรงที่พระพุทธเจ้าสอนเปรียบเลยนะวิชาเป็นปัจจัยของสังขาราวิชาก็ความหลงความไม่รู้คือโตัวโมหันนั่นเองเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารมีสามอย่างใช่ไหมปุญญพิสังขารสังขารฝ่ายที่เป็นบุญหลงไปคิดเรื่องเป็นบุญนะก็เป็นบุญนะหลงไปคิดเรื่องบาปก็เป็นอาปุญญพิสังขารหลงไปทําสมาธิเรื่องอนเนชาพิสังขาร ออกไปจากรากเง่าอันเดียวกันคือความหลงนี่พวกเราเรียนเราก็าเรียนแบบว่าให้หลงแล้วไปคิดดีๆหลงแล้วอยากใส่าบาตรก็ดีอย่างนี้ดีสระชอบดีแบบนั้นเป็นดีที่จะอยู่กับโลกดีข้ามโลกต้องดีอีกอย่างหนึ่งหลงแล้วรู้ไหมเพลินไปคิดอนะ่ะรู้ไหม น, นี่เรียกว่าหลงนะหนีอีกแล้วรู้ไหม อีกแว บ, บหนึ่งแล้วรู้ทันมันไปรู้ไปห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้การที่เรารู้อยู่นี่ยจะพบว่าบังคับไม่ได้อย่างตอนเนี้เห็นไหมมันไปออกไปดูอีกแล้วถามว่าบังคับไม่ได้แล้วดียังไงดีสิทําให้เห็นว่าจิตนี้กายนี้เป็นของบังคับไม่ได้นั่นน่ะดีวิเศษเลยถ้าเรียนจนบังคับได้นะอาการขาหากนะักแล้วพอรู้เรื่องไหม เขาแย่งกันนั่งรู้ไหมตรงเนี้ยือบางคนก็รู้สึกคิดผิดเลยที่ร้องนั่งตรงนี้ <c oughs> คือจริงๆเนี่ยทุกคนรู้ได้อยู่แล้ว <c oughs> อย่างนั่งเนี่ยรู้ไหมว่านั่ง่นะรู้ว่านั่งยืนเดินนั่งนอนรู้ได้ทั้งนั้นะนะะโปรดเป็นไหมโปรธโปรธก็เป็นอะรักเป็นไหม อิดชาก็เป็นกลัวก็เป็นผู้ชายก็กลัวนะไม่ใช่ผู้ชายไม่กลัวเป็นทุกอย่างทำไมเรารู้ ว, ว่าเรามีอย่างนั้นเรารู้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรารู้ชา้าหมายถึงว่าเช่นเราโกรธเพื่อนเราชกหน้ามันไปแนละ้วกลับมาบ้านนึกเสียใจว่าไปชกมันตอนโกรธจะไม่รู้ว่าโกรธกลับมาบ้านเพิ่งนึกได้ว่าโกรธปัจจุบันกำลังเสียใจไม่รู้ว่าเสียใจเท่านี้เองเท่านี้ง ตามรู้ตามรู้ไปฝึกตามรู้ไปเรื่อยๆทีแรกตามแบบไม่เห็นฝุ่นเลยเมื่อประเภทโกรธเมื่อกลางวันเนะย็นนี้เพิ่งนึกได้นี่ตามแบบไม่เห็นฝุ่นต่อไปพอโกรธปับ๊บหรือไม่ต้องโกรธก็ได้เผลออย่างนี้เราเผลอบ่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเผลอเดี๋ยวพอเผลอไปแล้วเรารู้ว่าเผลอเนี่ยแบบความเผลอขาดวับตร ง, งหน้าเลยความรู้สึกตัวเกิดรู้สึกตัวอยู่ได้แว บ, บเดียวเผล อ, ออีกแล้ว จะเห็นเลยว่าตอนเผลอเนี่ยจิตเป็นอกุศลตอนที่รู้สึกตัวเนี่ยจิตเป็นกุศลเดี๋ยวเผลอใหม่เป็นอกุศลใหม่เห็นแม้ทั้งกุศลก็ไม่เที่ยงอะกุศลก็ไม่เที่ยงเกิดดับอยู่ตรงนี้เขารู้ลงไปตามรู้ไปนะเราอย่าทําเกินนี้พระพุทธเจ้าสอนท่านสอนกา ย, ยานุปัสสนาการตามรู้กายนะเวทนานุปัสสนาตามรู้เวทนาจิ ต, ตานุปัสสนาตามรู้จิตนี่ไม่ใช่ตามรู้แล้วนี่ตั้งค่าแล้ว รู้ไหมบอกแล้วรู้ไหมรู้ออกไหมว่าจิตใจมันผิดปกติไหมมันแข็งแข็งทื่อๆนี่เราไปหลงปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราเรียกว่าการทำแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติจริงเราหลงเออต้องอย่างนี้นะนี่โดยเท่าไหร่ทีดีนอที่ผหานลามองนะั้นรีบตื่น <c oughs> ก็เป็นอุบายของแต่ละสำนักเวลาเรียนนี้อาตมาอยากชวนพวกเราเรียนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรมากกว่าว่าอาจารย์สำนักไหนสอนอุบายอย่างไรอุบายคือแท็กติกเราเรียนหลักของการปฏิบัติดีกว่าเพราะว่าแทคกติกเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลครูบาอาจารย์ใช้แท็กติกอย่างนี้แล้วประสบความสําเร็จรูกฝึกไม่แน่ว่าจะสําเร็จเพราะว่าจริตนิสัยคนไม่เหมือนกัน หลักของการปฏิบัติเยเราเรียนธรรมะอยู่สองเรื่องก็พอเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องอริยสัจทุก ค, คือกายกับใจนี่คือทุกเรามีหน้าที่เฝ้ารู้ไปตามรู้ไปเบื้องต้นก็จะเป็นการตามรู้อีกตัวหนึ่งที่ควรจะเรียนก็คือเรื่องสติปัฏฐานก็เรื่องตามรู้องกตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้ไปให้มันมีสติ มีสติแล้วกุศลก็เจริญอกุศลก็ดับไปอย่างนี้หลงอีกแล้วนะรู้ไหมทือท่อๆอีกแล้วดูออกไหมอะไรนั่นแหละผิดอ่ะลงใจไปดูไม่รู้ว่ากําลังดูอยู่ ต, ต, ต้องรู้ทันดูยังไงไม่ได้ต้องรู้ทันพระพุทธเจ้าสอนไหมว่าเอ้าต่อไปนี้จงดูอย่างนี้จงกําหนดไว้ที่ลิ้นปี่ก่อนนะ ไม่มีน ะ, น ะ, นะ่นเ่ยพระไตรปิฎกพวกเราคิดเอาเองตรงเอาจิตไปตั้งไว้เหนือสะดือสองนิ้วนะน้นบางคนเอาตั้งไว้ที่กลางกระหม่อมแล้วพระพทเจ้ามไม่ได้สอนนั่นมันเรื่องแท็กติกนะเห็นไหมนีไปคิดแล้วทราบไหมหลงไปละเดี๋ยวไปบังคับมันนะถนัดที่จะบังคับน่ะ เออปล่อยไปอย่างนี้ปล่อยไปอย่างนี้แล้วเขารู้ความเปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมเริ่มอีกแล้วเริ่มทำอีกแล้วคือจิตเนี่ยนะไม่มีที่ตั้งนะโลกู่ดูลสอนบอกว่าจิตไม่มีที่ตั้งเพราะอะไรเพราะจิตนั้นเกิดดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างตอนนี้สงสัยทราบไหม สงสัยทราบว่าสงสัยปฏิบัติเสร็จแล้วถามว่าจะต้องเอาจิตไปตั้งตรงไหนไม่ถึงจะรู้ว่าสงสัยตอนนี้คิดรู้ไห ม, มคือกำหนดที่กายง เ, เห็นไหมว่าพอกำหนดกายใจก็นิ่งนะนี่คือ ก, การทำสมถนะนล้นี่ เอาจิตเนี่ยไปตั้งเอาไว้ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องก็เป็นหลักของสมถะถ้าหลักของวิปัสสนาแค่รู้กายรู้สบายสบายอย่าตั้งแรงนะถ้าตั้งเลยจะปรึงความรู้สึกไว้กับกายใจทื่อๆอย่างนี้ไม่ได้้ อ, อย่าไปให้ทื่อไม่เอากนะารทื่อๆไม่ได้ทําให้เกิสดสติปัญญาอะไรได้พักเฉยๆเพราะฉะนั้นรู้กายไปกายเคลื่อนไหวสะดุกกระดิกรู้ไป พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวเนะจะคู่จะเหยียดจะขยับซ้ายขยับขวาให้ค่อยรู้สึกตัวอย่าจงไใจเอาสติเนี่ยตั้งไว้ในกายพอจงไใจตั้งปุ๊บจะแข็งขึ้นมานล้วจะทื่อไม่ใช่สติปัฏฐานเป็นการดักจ้องกายไม่ใช่การตามรู้กายตามธรรมชาติน่ะทําอีกแล้วทราบไหม เออทราบดีเห็นไหมเราหลงปรุงแต่งแล้วเราคิดว่าเรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่ทั้งๆที่เรากำลังหลงอยู่นี่คือปัญหาใหญ่ของผู้ปฏิบัตนะิเรากำลังหลงอยู่แท้ๆเลยแล้วเราก็คิดว่ากำลังปฏิบัติอยู่หลงก็คือเราไปทาขึ้นมาเป็นแข็งๆเรายังไม่รู้เลยว่าเราทำจิบแอบปรุงแต่งแล้วไม่รู้ว่ามันปรุงแต่งก็หลงนั่นเองอนนี้คิดทราบไหม มันไหลไปอยู่ในโลกของความคิดเ อ, อถอยออกมานะมันอยู่รู้เนื้อรู้ตัวยังอจาน้อมเข้าไปอีกรู้ไหมใจยังทื่อๆอยู่รู้ไหมยังตึงความรู้สึกเอาไว้อ่ะลองหันไปดูเพื่อนจิตตอนที่หันกับจิตตรงเนี้ยกับจิตะเกียะไม่เหมือนกันทุกอันดูออกไหมเข้ารู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทาอีกแล้วทราบไหม นะปฏิบัติอีกแล้วเนี่ยนักปฏิบัติแทนที่เราจะรู้ทุกอย่างตามที่มันเป็นถ้าเราปฏิบัติแบบลานเลยเออปฏิบัติเสร็จเลยตรงนั้นเหลอไปนิดนึงทราบไหมหนีแวบบเห็นไหมไม่เกี่ยวกับการตั้งเลยไม่ได้ตั้งไว้ที่ไหน่ะจิตมันหนีแวบบรู้ทันว่าหนีแต่ถ้าเราตั้งไว้จิตไม่หนีไปไหนเลยแหมรู้สึกปฏิบัติ ด, ดีนั่งมาสมชั่วโมงแล้วรู้ตลอดเลยเนี่ยหลงตลอดเลย นะหลงสมถะอยู่ตลอดเลยเราไปบังคับจิตของเราให้อยู่กับากายตรึงความรู้สึกเอาไว้ที่ร่างกายเป็นสมถะ น, น, น, นั่นเนี่ยนะนั่ น, ล น, นลหลักของสมถะทั้งนั้นเอ า, อางั้นก็ได้ถ้าเราชอบแบบนั้นนะพอนิง่ง แล้วก็มาสังเกตจิตใจมันนง่งแล้วใจเรานิ่งๆรู้ว่าใจนิ่งๆพอเราเลิกปฏิบัติใจเริ่มไม่นิ่งแล้วนะใจเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มแหวงไปแหมาเรารู้ทันว่าใจไม่นิ่งแค่ให้เข้ารู้การเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆชอบทำสมาธิทาก่อนก็ได้หลวงพ่อพุธก็เคยสอนบอกว่าทาสมาธิก่อนก็ได้พอจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนิ่งนะ พอออกจากสมาธิเนี่ยท่านบอกนักปฏิบัติมาตายตรงนี้หมดเลยเออกจากสมาธิแล้วเลิกปฏิบัติตอนนี้เสียโอ ก, กาสอย่างร้ายแรงพอจิตถอยออกจากสมาธินะให้มีสติรู้ทันจิตไปเลยจิตที่สงบเริ่มจะไม่สงบเนี่ยเฝ้ารู้อ๋อความสงบไม่เที่ยงนะเกิดความไม่สงบขึ้นแทนเนี่ยเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงไปเลยแล้วก็ทำวิปัสสนาตอไปเลย ถ้าตรงที่เราลงไปนิ่งมันไม่ได้เกิดปัญญาเป็นหนึ่งแล้วก็นิ่งอีอหน่งเป็นหนึ่งแล้วก็นิน่นงนะส่วนมากเราก็ทำสมาธาิสมาธาินี่พอจิตถอยออกมาจากสมาธิแล้วเนี่ยจิตเริ่มไม่นิ่งนี่ยเราเฝ้ารู้ตรงที่ไม่นิ่งเนี่ยจะเห็นใลยจิตที่นิ่งนั้นก็ดับไปแล้วไม่เที่ยงตอนนี้จิตฟุ้งซ่านเกิดขึ้นรู้ไปได้ได่อยรู้ความเปลี่ยนแปลงอย่าจ้องใส่ตามรู้ไปสบายๆอย่าจ้องนะ อย่าไปนั่งจ้องอย่างนี้มันนิ่งตลอดนั่นนั่ะเซสติระลึกอย่าเอาสติไปกำหนดนะกาหนดแล้วนิ่งแค่แตะรู้แตะรู้นิดเดียวนิ่งบกยมนั่งในทนบกจุดบกแห้สามจุดใช้สติกามจุิ่ประตานไปปรานะนเหยวเครมเครมไหม อย่าหลงตามอย่างนั้นเขาใช้สติตามดูจิตนะถูกแล้วเขาสอนถูกแล้วนะธรรมะเขาสอนเราถูกต้องนะแต่การตามดูจิตไม่ใช่ส่งจิตตามไปเรื่อยๆนะจิตมันเป็นคนดูต่างหากนะเราก็ดูไปสี่ตามดูจิตเช่นจิตตอนนี้สงบรู้ว่าสงบนะพอออกจากสมาธิจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านอย่างนี้เรียกตามดูจิต จะตามจะตามเข้าข้างในนะตามลึกลงไปธรรมะเคยโดนหลวงปู่สิมจูบเขา <c oughs> เคยไปหาท่านไหมหลวปู่สิมมีข่าวตอนหัดใหม่ๆนะตามเาหน็นอารมณ์ไหวๆอย่างเงี้ยดูมันดูแล้วมันก็หนีลึกเข้าไปเรื่อยๆ <c oughs> มันหนีลึกก็ตามมันลงไปเรื่อยลงไปลึกเลย <c oughs> ไปกราบหลวงปู่สิมถูกท่านแซว <c oughs> โอ้ยผู้รู้ผู้รู้ออกมา <c oughs> นะธรรมะกิเลสไม่ได้อยู่ลึกอย่างนั้นหรอก ถูกขั้นแซวเอายิ่ลอะไรอยู่ในลูขึ้นมาขึ้นมานี่อย่างนั้นไม่ไม่ใช่เรียกตามรู้แล้วเรื่อตามหลงไปหลงตามไปสังเกตไหมว่านั่นอะ่ะหลงตามไปมันหนีลึกลงไปใช่ไหมเราก็ตามเออเราก็ตามลึกลงไปด้วยเนี่ยหลงตามมันไปนะธรรมะไม่ได้อยู่ลึกอย่างนั้นจิตไหลเข้าข้างในรู้ว่าไหลเข้าข้างใน รู้ทันไปอย่างนี้เรียกว่ารู้จิตตามรู้จิตกลว่าไงอ๋อมันแข็งสติที่ส่วนใหญ่ที่พวกเราทำมันแข็งแข็งะสตจิจริงๆอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวสติไม่เกิดโดดๆสติเกิดประกอบองค์ธรรมสายกุศลอีกเยอะแยะเลย แล้วก็สตินั้นไม่ได้จงใจให้เกิดมันเกิดเองสติที่จงใจให้เกิดน่ะสติเกแต่สติที่เกิดจากการรู้ทันสภาวะอันนั้นน่ะสติจริงเช่นเราเผลอแล้วรู้ว่าเผลอแว บ, บเดียวนั้นน่ะนั้นมีสติถูกต้องอนะเห็นไหมเผลออีกแล้วเดี๋ยวบ อ, อกไหมเ <c oughs> ด็กคนนี้ตนะ้องเชื่มสมองให้ทีได้อืมใหญ่ใหญ่อะเป็นสมองที่ได้รนนะอืม นะเราะย่าอย่าไหลต า, ามเข้าไปนะรู้สึกตัวไวจะมาเคยโดนหลวงปู่สิมเล่นเลยตอนนั้นเราก็ว่าเราเจ๋งแล้วนะเพราะานะคร <c oughs> ูบาอาจารย์ฉลาดอย่าตามอย่าตามไปนะคำว่าตามรู้ไม่ใช่วิ่งตามเข้าไปจิตเราต้องตั้งมั่นจิตเราอยู่ตรงนี้อะไรมันวิ่งผ่านหน้าบ้านไป เราอย่าออกจากบ้านเราอย่าไหลาตามเข้าไปรู้เฉยเฉยรู้สบายสบายเห็นไหมหนีไปแลเสร็ไปแลตอนนี้คิดทราบไหมอย่าไปทำให้นิ่งนะเคลื่อนไหวไหมเมื่อก่อนครูบาจใจเขาสอนอย่างนี้นะ รุ่นหลังๆท่านแก่แล้วท่านสอนไม่ไหวอี่หนอยามาแก่ก็ไม่สอนเหมือนกันเห็นไหมผู้รู้หายเป็นผู้คิดผู้นึกแล้วนะเพราะว่าผู้รู้ก็ไม่เที่ยงไม่มีใครทำผู้รู้ให้เที่ยงได้นะ ไงผู้คิดทำอีกแล้วรู้ทันนะคาว่าแก้ไม่มีนะลองไปดูในสติปัฏฐานสูตรไม่มีคำว่าแก้นะจิตมันนิ่งก็รู้ว่ามันนิ่งนะจิตอยากแก้รู้ว่าอยากแก่นะไม่รู้ทันมีแต่คำว่ารู้ไม่ทําอย่างอื่นนอกจากรู้ ง่ายจิตหนีไปคิดละอย่าไปสังเกตมันอย่าพยายามนะความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ตรงนั้นเลยโยนทิ้งไปนะจริงพระพุทธเจ้าสอนก็มีความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั้นให้ร่วมทุกข์ด้วยความเพียรอะไนี้ท่านก็สอนแต่ธรรมะมันมีหลายขั้นในขั้นของการเจริญสติไม่ทําอะไรแนละ้วรู้ตามความเป็นจริงนละ้ คำว่าพยายามนะัเราก็เรียกให้เพราะไปอย่างนั้นเองอะคนจริงอยากนะอยากปฏิบัตินั่นหละเห็นไหมหลงอีกแล้วยังหลงอยู่นะรู้ไหมว่าทาให้ชื่อๆอี ก, อ ก, ออกแล้วอืมบอกเรารู้อย่างดีบางคนเถียงเนะ <laughs> มีนะนั่งเถียงไงว่าไงจะส่งกันบ้านไหมสองคนเนี้ยว่าไง รู้ตัวได้บ่อยไหมรู้ไปเรื่อยๆดีแล้วอย่าขยันรู้เกินไปขยันรู้เกินไปก็นั่งจ้องทาอีกแล้วรู้ไหมนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเห็นไหมเขาบอยจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะนั่งอยู่รู้ว่านั่งถ้าพวกเรียน่ะอภิธรรมก็นั่งอยู่นี่ เขาจะบอกนี่รูปนั่งนะไม่ใช่คนนั่งถ้าใครจะถามอะไรเชิญว่าไงส่งกันบ้านไหมหอืทานเป็นไงทานของใสแล้วใช้ได้แล้วนะรอดแล้วเนาะ <laughs> นักปฏิบัติไงปฏิบัติสนุกไหมยากไหม มันอดทําไม่ได้ทําอีกแล้วรู้ไหมทําให้มันทื่อๆไึ้ ห, ห, หม่อีกคนนี้่ะคนนี้ทําอะไรอือจิตใจแอบไปทําอะไรเออคิดรู้ว่าคิดนะจะมาเคยถามนะไล่ทีละคนเลยทำอะไรคิดครับท ำ, รนะทำอะไรเหรอค่ะทำอะไรกันเป็นหมอฟันครับ <laughs> ให้คอยรู้ทันจิตใจเรา แ, แอบไปทําอะไรคอยรู้ทันไปเรื่อยๆ น, นั่นเรยปฏิบัติเนี่ยแอบไปคิดซ้ำไหมแล้วนี่ทําอะไรสันเนี้ยเรีบรู้ไวๆถ้าคิดแล้วไม่รู้ว่าคิดเรียกว่าหลงคิดนะมีโมหะนําหน้าหรือหลงมาจากไหนนี่ไม่ใช่พวกเชียงใหม่นะ ไงยโยมใจลอยเนะะใจลอยรู้ว่าใจลอยไม่ได้ว่านะเพราะว่าเราห้ามไม่ได้คิดนะเป็นธรรมชาติที่ห้ามไม่ได้เขาใจลอยเรารู้ว่าเขาใจลอยเราหยุดได้เพราะวาเราทำสรรมถะชนานาญนะกลับไปนี้ถ้าเขาคิดรู้ว่าคิด มันหลงคิดแล้วรู้ไว้อย่างตอนเนี้ยคิดแล้วทราบไหมแม้ว่าไม่คิดเนี่ยไม่มีนะความคิดเนี่ยเป็นสมมุติบัญญัติก็จริงแต่สมมติบัญญัติก็มีลักษณะอันนึงคือเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้อย่างหลวงปู่ ด, ดูลสอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดถึงจะรู้ท่านไม่ได้สอนให้หยุดคิดนะ ท่านหมายถึงว่าให้หัดรู้สภาวะลงไปโกรธรู้ว่าโกรธรักรู้ว่ารักนะยืนรู้ว่ า, วายื น, ยนให้หัดรู้สภาวะไม่ใช่ให้ปิดคิดเรื่องสภาวะเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าห้ามคิดแต่ว่าหมายถึงว่าให้หัดดูสภาวะทางจิตใจของเราทางกายของเราทําอะไรล่ะตอนนี้ยกําหนดเห็นไหมกาหนดไม่ใช่รู้ นั่นแหละคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็แปนป้ายไว้โก้เลยว่าปฏิบัตินั่นหลงนะมีคำภีอัธกถาสอนบอกว่าสติพันกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์คือตัวทุกข์ไม่กำหนดแล้วแน่นๆ่นเบื้องหลังการกำหนดก็คือปัญหาคือตัวสมุทัยอยากปฏิบัตินั่นแหละก็เลยกำหนดทำอะไรตอนนี้เออนี่เริ่มรู้สภาวะละ นี่หัดรู้อย่างเนี้ยกําลังทําอะไรอยู่รู้จิตใจแอบไปทําอะไรคอยรู้ไปด้วยๆนะต่อไปพอมันกระดิกข้างไหนนี้จะรู้ทันทำอะไรหลงเคลิ่นดูไปครับทําอะไรหลงคิดครับนะต่อไปพอมันหลงคิดปั๊บสติมันเกิดสติเกิดขึ้นเองนะจะเกิดขึ้นเองแต่ว่าเกิดได้เมื่อเราสามารถจําสภาวะธรรมได้แนะ เช่นคิดเป็นแบบนี้พอมันคิดปุ๊บจะรู้ทําอะไรนะเนี่ยตรงนี้ที่รู้สึกตัวขาาึ้นมันจะตื่นขึ้นมาในในการถ้าเราเราต้องไม่้องปฏบัอ้าเวลามีหน้าที่คิดก็คิดนะ <c oughs> เวลามีหน้าที่คิดก็คิดไป <c oughs> เวลาจะเรียนหนังสือเวลาจะทํางานที่ต้องใช้ความคิดต้องคิด <c oughs> รู้สึกตัวไป เราจะเห็นเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเราเห็นรูปนี้เดินแต่ไม่ใช่เราเดินนะเราเห็นร่างกายมันเดินเหมือเราเป็นคนดูเฉยๆเดินเดินอยู่ใจหนีไปที่อื่นรู้ว่าจิตหนีไปเออ ต, ตามรู้ไปคือรู้ตามนั้นอนะ่ะถ้าตามรู้เดี๋ยวจะตามเหมือนคุณป้านี่ตามเหมือนเข้าลึกไปไม่ตามไปแบบนั้นนะ อ, อย่าจ้องโดยเฉพาะอยากกาหนดไว้ก่อนกําหนดไว้ก่อนนะของปลอม เ อ, อน่นแหละดูอขาสแสดงใจรักเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเ อ, อเดี๋ยวก็ขึ้นลมขึ้นลมรู้แค่นั้นพอแล้วก็จะเห็นดูไปเรื่อยเ่อยเดี๋ยวก็หายไปก็เป็นทุกขังคือมันทนอยู่ไม่ได้แล้วก็จะเห็นในการที่มันจะโกรธก็ไม่ได้สั่งให้โกรธห้ามก็ไม่ได้มันตั้งอยู่มันดับไปบังคับไม่ได้นี่อนัตตาเพราะฉะนั้นเขารู้สภาวะไปแล้วจะเห็นใจรัก ปัญญาคือที่บอกว่ารู้ทุกรู้ทุกนะคือรู้กายรู้ใจก็เลยมีสามขั้นตอนขั้นที่หนึ่งเขาเรียกญาติปริญญารู้ว่ามันเป็นอะไรความโกรธเกิดขึ้นมารู้ว่ามันโกรธขั้นที่สองเรียกปีรนาปริญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นรอเดี๋ยวมันแรงเดี๋ยวมันเบาเดี๋ยวมันแรงเดี๋ยวมันเบานี่แสดงอนิจจังเดี๋ยวมันหายไปแล้แสดงความทนไม่ได้นะมันจะมามันก็มามันจะดับมันก็ดับบังคับมันไม่ได้นี่แสดงอนัตตา การรู้ขั้นสุดท้ายนะรู้ล ะ, ะหหนี่ปหญญาปริญญาจะละความเห็นผิตร่างกายนี้จิตนี้เป็นตัวเราทําอะไรตอนนี้ทําอะไรหาไม่ใช่รู้หารู้ว่าหาเนี่ยลองค่ยถามตัวเองแล้วลองตอบตัวเองนะว่าทําอะไรหาอยู่ครับกําหนดอยู่ครับไม่ใช่รู้เลยนะเนี่ยเพือเครื่องทดสอบตัวเองง่ายๆเลย เราไม่ได้ทําตามที่พระพุทธเจ้าบอกอ่ะท่านบอกว่าจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะเราหา<ม>นอกจากหาแล้วนอกจากควานไปควานมาแล้วไปเจอกีเล่เข้แก้อีกแล้วอยากแก้อีกแล้วพยายามแก้แก้ไม่ใเฉลุยทําอะไระออไล่ะเห็นไหมดูออกไหม <laughs> ว่าเดี๋ยวก็ฟังฟังนิดนึงเดี๋ยคิด ย, ยาวๆแล้วก็ขึ้นมาฟังอีกหน่อยหนึ่งคิด ย, วยาวๆดูออกไหม การที่เรารู้ทันเนี่ยจิตเกิดทางตาจิตเกิดทางหูจิตเกิดทางใจจิตไม่เที่ยงจิตเกิดดับเดี๋ยวก็รู้ด้วยตาเดี๋ยวก็รู้ทางหูเดี๋ยวรู้ทางใจตอนนี้ไปอยู่ที่ไหน <c oughs> ไม่รู้ก็คือโมหะน <c oughs> ี่หัดหัดอย่างนี้พอจะเข้าใจไหมนี่เห็นความเกิดดับจากภูวิ ญ, ญญาณจิตคือจิตเกิดทางตาเกิดแล้วดับ โสตาวิญญาณจิตจิตเกิดทางหูเกิดแล้วก็ดับเกิดทีลักษณะจิตเดียวเสร็จแล้วเข้ามาเป็นจิตทางใจมาเป็นชวานาจิตคิดไปเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างตัวนี้ยาวจิตทางตาทางหูเกิดแวบบแวบบแวบบจบแนละ้วทีเราแว บ, บเดียวมีจิตทางใจเกิดทีหนึ่งจิตขนาด แล้วสุกมันไม่ใช่อกุลนะมีสติมันก็สุกอยู่ได้มันจริงสุขในหาง่ายนะรู้สึกตัวขึ้นมาก็สุกเลยไม่ต้องนั่งสมาธีหรอกยองเผลอๆอยู่เกิดรู้สึกตัวขึ้นมาจิตใจไม่มีความสุขละเบาโล่งเบิกบานนะจิตที่มีสติก็เป็นมหากุศสรจิตมหากุศรจิตมีเวทนาสองชนิดเท่านั้นนะคือสมนัตเวทนามีความสุขทางใจ อากอุเบกขาเวทนาเป็นกลางกลางถ้าเมื่อไรจิตมีโทมานัตเวทนาเนี่ยจิตอึดอัดนะนั่นอกุศลจิตนะเพราะฉะนั้นปฏิบัติแล้วจิตอึดอัดนั่นแหะทำอกุศลอยู่นะหยุดทันทีเลยกลายเป็นไปสร้างอากุศลนะแล้วอกุศลที่ประกอบด้วยโทมนัตเวทนาอึดอัดใจนี่ประกอบด้วยโทสะเรากําลังทําอาจินตกรรมที่มีโทสะหมายถึงทําโทสะซ้ำๆกําลังฝึกที่จะตกนรกนั่นเอง อะไรนะรู้ทันรู้ทันตอนนี้สงสัยทราบไหมลองดูสิสงสัยมันดึกตอนไหนนะนั่งดูสิดูไปเรื่อยๆนี่ยังคิดอยู่ยังไม่ยอมดู <c oughs> ทำอะไร <c oughs> นะรู้ทันนะเอ้าคุณมาจากเชียงใหม่มานั่งใจลอยซะแล้ว มไม่เคยปฏิบัติง่ายอืมอืมอมาลองถามทุกคนดิว่ามีคนไหนไม่คิดบ้างมไม่มีนะทุกคนคิดตลอดเวลานะไม่มีใครช่างคิดมากกว่าใครหรอกอทุกคนคิดตลอดคิดตลอดวันไห ม, มคิดทั้งวันเอเนาะ ทุกคนคิดอย่างนั้นนะไม่ใช่เราคิดเยอะคนเดียวหรอกนี้พอคิดไปเนี่ยห้ามไม่ได้ความคิดเองก็เป็นอนัตตาห้ามไม่ได้แต่พอมันคิดไปแล้วเกิดกุศลบ้างเกิดอกุศลบ้างคิดไปแล้วเกิดสุขบ้างทุกบ้างคิดไปแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขคิดแล้วมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์คิดไปแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดอย่างเนี้ย คิดให้มันคิดไปแต่คิดไปแล้วจิตใจเราเป็นยังไงคอยรู้ทันนันเรียปฏิบัติตอนนี้ทําอะไรล่ะตอนเนี้ยเอคิดเห็นไมรู้ว่าคิดนี่คิดรู้ว่าคิดนี่หลาเรียกว่าปฏิบัติคือจิตใจเรากําลังคิดเรารู้ทันว่ามันคิดนี่คือปฏิบัติทําอะไรทําอะไรเมื่อกี้นี้ยแรปเมื่อกี้ใจลอยไปือ จะหมดเวลาแล้วใครจะถามอะไรเชิญคุณเะริมพง์มีอะไรไหมคุณกระบอกอ่านนี้ยกก่อนเน้นคนละอันกันคละันกันสติจะทำงานนะจดจ่ออยู่กับงานนะมีสมาธิในการทำงานส่วนสติที่เราใช้เจริญสติปัฏฐานนี่ก็คือ อะไรแปลกปลอมเข้ามาทางกายทางใจ ร, รู้ทันมันเช่นใจหนีไปทางตารู้หนีไปทางหูรู้หนีไปคิดก็รู้ทันนรือมีสติยืนแต่ น, นั่งนอนก็รู้ว่ายืนรู้ว่าเดินรู้ว่านั่งรู้ว่านอนมันเกิดเองนะมันเกิดเองให้รู้ทันก่อนพอรู้ทันแล้วมันจะรู้ว่าถ้าเข้าไปยึดแล้วจะทุกข์ เรารู้ว่ายึดแล้วทุกข์มันไปอย่างตอนนี้จะเริ่มเห็นแล้วว่าถ้ากําหนดแล้วจะเริ่มทุกข์ต่อไปก็ขี้เกียจกำหนดไม่อยากกาหนดแล้วมันทุกข์เพราเราเห็นแล้วว่าทําแล้วทุกข์นะมันเลิกเองแต่ยังเสียดายการกําหนดอยู่ใช่ไหมเลิกฝึกไปทำไํำไมเราไม่ใช่ฝึกสตินะนั่นมันฝึกเพ่งฝึกเพ่งกาย ใช่ไกายก็แข็งแข็งใจก็แข็งแข็ ง, ขงยิบเสีได้มันทําอะไรตอนนี้คิดเถอะครับป้าธมาไม่ได้พูดแล้วเนี่ยฟังได้ไงเ <laughs> นี่ยใครรู้ทันแต่นะยากไหมไม่ยากนะทําอะไรอยู่รู้ทันว่าทําอะไนั้นจิตใจอะ่ะจิตใจทําอะไรรู้ทันมันไปเรื่อยๆ <laughs> ชัดตกใจแล้ว <laughs> รู้ไหมจิตใจเปลี่ยนไปเรื่อยๆ นะอย่าพยายามนะอะปล่อยให้ใจมันทํางานแล้วเราคอยรู้ไปนะอย่า ก, กําหนดนะ ใ, ให้รู้เฉยๆสักว่ารู้ไปอย่า ก, กําหนดกําหนดนะจงใจไปรู้ถ้าจงใจรู้กําหนดรู้ก็ทุกเกิดใจจะแน่น ๆ, นนๆอ่จะแน่นนะอกไม่เอาอย่างนั้นไม่เอานะจิตที่แน่นๆขึ้นมาเป็นจิตอกุศล น, นะ ไม่ใช่จีกุศลถือว่าทําสมถะถ้าทานข้ า, นะ า, า, า, าข่านี้สิถว่าเดินเข้าไปในร้านอาหารโู้เห็นอาหารเยอะเลยเห็นอาหารอันนี้ดีใจโอวันนี้เห็นแต่ของไม่ชอบเลยเห็นแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อดีใจรู้ว่าดีใจ อ, อ่เปรย์สมมติว่าชอบอาหารอย่างนี้มากเลยอชอบไข่เจียว สั่งไข่เคียวมาถ่ายคําที่หนึ่งแนมะสดชื่นมากมีความสุขเรารู้ว่ามีความสุขคําที่สองม่ความสุขเริ่มรถแนละ้วคําคำถึงที่ยีสบนะอย่าเพิ่งหยุดนะทานไปเรื่อยๆความสุขจะพลิกกลับข้างเป็นทุกขนะ์แล้วต่อไปจะขีดไข่เจียวเลยเขารู้ความเปลี่ยนแปลงในจิตใจนะเพราะฉะนั้นเราทําอะไรดารงชีวิตตามธรรมดานี่แหละปฏิบัติทำได้ทั้งวันเลย ยกเว้นตอนที่ทํางานที่ใช้ความคิดอย่างเรียนหนังสือหรือทํางานที่ต้องคิดทําไม่ได้นอกนั้นทําได้ตลอดขับรถออกจากบ้านเจอรถเต็มถนนเลยหุ่หงิดหญุ่หงิดร่วงหุดหงิดนี่ปฏิบัติทำแล้วไม่ต้องมากําหนดงุดหงิดน้องหุ่นหงิดหญนอไม่ต้องนะนั่นเกินจากรู้แนละ้วนั่นอยากแก้แล้วอยากให้หายหุ่นหงิด จิตไม่ดีจิตหงุดหงิดจะทำให้หายหงุดหงิดก็คือสมถะนั่นเองจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สงบทำให้สงบดีแล้วสงบแล้วก็ตามรักษานี่หลักของสมถะทำให้ดีแล้วก็รักษาไว้หลักของวิปัสสนาไม่มีไม่มีแบบนั้นรู้ลูกเดียวตอนนี้ทำอะไรล่ะต า, ตามคิดคิดไม่รู้ว่าคิดอยู่เรียกหลงคิด ธรรมะเข้าใจไม่ได้ด้วยการคิดมันเป็นจินตามายะปัญญาแต่ตอนนี้ฟังก็คล้ายๆฟังเลคเชอร์ฟังไปคิดไปอันนี้ถูกแล้วนะแต่มาไม่ได้ว่าหรอกต้องทำฟังอย่างนั้นถูกต้องแล้วแต่กำลังพยายามชี้ให้ดูการฟังอีกชนิดหนึ่งการรู้ทันสภาวะทำอะไรนี่น่ะตอนไหนฟังตอนไหนคิดดูออกไหมนั้นเรียกปฏิบัติว่างไง สงสัยก็รู้ว่าสงสัยสิสงสัยไม่ต้องถามอยากถามใช่ไหมอยากถามรู้ว่าอยากถามแล้วไม่ได้ถามแล้วอึดอัดรู้สึกไหมนะอึดอัดนั้นแหละทุกข์เห็นไหมมีความอยากก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ธรรมะเขาเรียนกับตรงนี้ทั้งหาะมานั่งถามธรรมาถึงพรุ่งนี้ก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะธรรมะเรียนไว้ได้ด้วยการฟังสงสัยอีกแล้วรู้ไหม ถ้าถามมาไม่ให้ถามเดี๋ยวนอนไม่หลับอืมอืมไม่ใช่รู้อันนั้นทำสมถะคือคำว่าโกรธหนอนี่เป็นความคิดเป็นการบริกรรมกำหนดไปเรื่อยๆก็หายโกรธ แต่ถ้าสมมติว่าความโกรธผุดขึ้นมาในใจรู้ว่าโกรธนะไม่ต้องบริกรรมก็ได้ในขณะที่รู้ว่าโกรธกับขณะที่บริกรรมว่าโกรธนี้คนลักษณะกันนะความโกรธผุดขึ้นมาตรงนี้ห้ามไม่ได้พอความโกรธผุดขึ้นมาสติรู้ว่าโกรธตรงนี้เรียกว่ามีสติตรงนี้ถูกต้องแล้วถัดจากนั้นจิดเกิดอกุศลอยากให้ความโกรธหายไป พออยากให้ความโกรธดับไปก็บริกรรมโกรธเนอโกรธหนอตรงนี้ไม่ใช่การปฏิบัติแล้วเป็นการแก้และแก้ความโกรธเพราะฉะนั้นขณนะใดที่จเจริญสติก็คือขณะที่รู้ว่าโกรธนั่นแหละตรงกับที่สติปัฏฐานบอกเลยจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะในสติปัฏฐานมีต่อไหมจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะแล้วบริกรรมว่าโกรธหนอไม่มีนะมันคืออุบายที่อาจารย์สอน อาจารย์สอนให้บริกรรมเพื่ออะไรเพื่อเตือนตัวเองให้รู้ให้คอยสนใจนะว่ากําลังโกรธอยู่เพราะฉะนั้นเราเรียนคําสอนของอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์สอนผิดนะอาจารย์สอนบอกว่า้าโกรธแล้วรีบท่องไว้นะโกรธเนอแล้วสังเกตที่สภาวะของความโกรธดูว่ามันเที่ยงไม่เที่ยงอย่างนี้ใช้ได้ถ้าโกรธขึ้นมาโกรธเนอโกรธเนอะดับไปโอ้ดีจังเลยเราปฏิบัติดีเนี่ยหลงผิดไม่เหมือนกันแยกตรงนี้ออกไหม ถ้าออกเดี๋ยวไปเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยยังไม่เข้าใจคือสภาวะที่รู้นะขณะที่รู้อันนั้นถูกต้องแล้วขณะที่อยากแก้แก้นั้นเกิดกิเลสแล้วเกิดกิเลสครั้งใหม่นะขณะที่ลงมือแก้ก็คือเกิดการกระทำกรรมอีกครั้งหนึ่งแนละ้วทาอะไรล่ะเนี่ยเห็นไหมหลงดูนะเติมคำว่าหลงลงไปเลย แปลวา่าที่เราเห็นว่าเราตัา้งใจอาราูวา้ว่าหลงก็แปลว่าเหมือนว่ามิจิตนไม่มีเป็นมิจฉาสตินี่ตอนนี้หลงอีกแล้วหลงคิดอยากแก้อืมอืมา ย, ายามรู้ก็ทุกข์สิ เพราะว่าจริงๆก็เปลี่ยนคาว่าพยายามเอาคาว่าอยากไปแทนนะตรงเป๊ะเลยอยากรู้อยากรู้ทุกแน่นอนเลยถ้าตามรู้ไม่เหนื่อยนะถ้าพยายามจะตามรู้เหนื่อย <c oughs> อย่างยุงกัดแล้วคันเนี่ยรู้ว่าคันนี้เหนื่อยไหม <c oughs> ไม่เห็นเหนื่อยเลย ยุงกัดแล้วคันรู้สึกว่าคันคันแล้วอยากเกาไม่เห็นเหนื่อยเลยถ้าคอยนั่งไวเดี๋ยวเห็นยุงมาแนละ้วอ่ะเดี๋ยวรอให้ยุงกัดจะคอยดูที่ว่าจะคันแบบไหนหต้อนตอนให้มัน <c oughs> กัดกัดแล้วคันอ๋อคันเป็นอย่างเงี้ยงนั่นะ <c oughs> าจะวิพากษ์วิจารณ์แล <c oughs> นะการปฏิบัติไม่ปลอมแปลงไม่เถลื่อแง่ขนาด น, นั้นรู้ไปง่ายๆ เ, เราไม่ใช่สํานัก ตาม ร, รู้นี่เราสํานักลมหายใจเรารู้ลมหายใจไป <c oughs> หายใจไปรู้สึกตัวไป <c oughs> อุบายถูกต้องนี่แต่ละสํานักก็จะมีอุบายถ้าจับแก่นของการปฏิบัติได้ก็ไม่ต้องทะเลาะกันะ <c oughs> เหมือนเหมือนกันนหะ <c oughs> ทําอะไร <c oughs> <c oughs> ลงคิดไปเติมลงไว้ตัว กลังจะได้เข็ดเนอะทำไรตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสว่าอะไรต้องฝึกอย่างนี้เพราะกิเลสเกิดตอนที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงใจกระทบความปรุงแต่ง กิเลสไม่ได้เกิดตอนเราเข้าคอร์สนี่กิเลสเกิดตอนที่มองเห็นนี่แหล ะ, ะนะเห็นสาวสวยใจเกิดราคานะรู้ว่ามีราคะปฏิบัติแล้วเห็นสาวสวยจิตเกิดราคะรู้วิาวจารต่อราคะไม่ดีหาทางละราคานะเป็นนึกถึงว่าผู้หญิงเป็นอสุภะอะไรนะี่ไม่เกี่ยวอะไรกับการเจริญสติเลย เราทิ้งปัจจุบันอารมณ์ไปแล้วตามองเห็นรูปตาเห็นรูปผู้หญิงเนี่ยรูปเนี้ยเป็นปัจจุบันอารมณ์จิตเกิดราคะราคะเป็นปัจจุบันอารมณ์นะผู้หญิงเป็นอดีตเกิดอยากล่าราคะความอยากล่าราคะเป็นปัจจุบันราคะเป็นอดีตผู้หญิงเป็นอารมณ์โบราณเลยพออยากล่าราคะก็เป็นนึกเอาผู้หญิงมาพิจารณาสุดท้ายนไหมแงเอาอารมณ์เก่ามาพินาเพราะฉะนั้นเป็นสมถะ ไม่ใช่อารมณ์ปัจจุบันถ้ารู้อารมณ์ปัจจุบันเป็นจะเห็นว่ามันเกิดดับตลอดสายเลยรูปผู้หญิงเกิดแล้วก็ดับจิตต้องมาคิดว่าโอ้สวยถูกใจต้องคิดก่อนนะเราราคะเกิดเราราคะเกิดใช่ไเสร็จแล้วอยากละ ร, ราคะเนี่ยราคะเป็นอดีตแล้วตัวราคะดับแนละ้วตัวโทสะต่อราคะเกิดขึ้นมาจะรู้อารมณ์ปัจจุบันไปเรื่อยง่ายๆนะอย่าทําแบบเคร่งเครียดนะ ถ้าทำแบบเคลื่อเคอรมเมื่อไหร่หยุดเลยผิดแล้วนะถ้าปฏิบัติทำแล้วจิตเศร้าหมองจิตอึดอัดล้วก็หยุดเลยผิดแล้วนะนะจิตที่จเจริญสติเป็นมหากรุสุราจิตนะถ้าไม่มีส ม, มานัตเวทนานะก็ต้องมีอุเบกขาเวทนามีสองอย่างเท่านั้นไม่มีความอึดอัดนะมันมีสองแนวทางแนวทางหนึ่งเรียกสมถายานิกทำฌานก่อน อย่างคุณยายอยู่เชียงใหม่ทำสมาธิจิตเป็นหนึ่งดับหมดละเหลือแต่ความรู้สึกอยู่นะพอจิตถอนออกจากสมาธิจะเห็นเลยว่าไอ้ความนิ่งๆิ่งสงบนั้นดับนะจิตปัจจุบันไม่สงบนี่เรียกว่าทำวิปัสนานะโดยเริ่มจากสมถะนะส่วนอีกพวกหนึง่งวิปัสสนายานิกตากระทบรูปหูปกระทบเสียงจิตใจเกิดกุศลอกุศลตามรู้เลยไม่เกี่ยวอะไรกับสมถะนะจะเอาอะไรก็เอาสตาน แต่หลวงพ่อจะบอกว่าที่พวกเราทำสมถามันไม่ถึงฌานจริงมันแค่สงบงอกแงกงอกแงกเคลิมคล้มเลมิไม่ใช่สมถานะมันมิจฉาสมาธิยิ่งเป็นศัตรูของการเจริญสติด้วยซ้ำไปยิ่งใครเวลาตอนกลางคืนนะ่ะชอบเกิดเทพธรรมะนะแล้วก็นั่งนั่งคารวะธรรมะไปเรื่อยนะอย่างนี้อยาไปฝึกเลยนะยิ่งนี้สยเสีย นีฝึกเ้องให้รู้สึกตัวไม่ใช่ฝึกนั่งคำนับเทปไปเรื่อยอย่างเงี้ยทำอะไรพอเข้าใจไหมอืมนะดีเข้าใจนะเข้าใจแล้วทำก็มันไม่ยากหรอกมีฟรานซีนี่มีแต่คำว่ารู้ใช่ไหม ในสติปัฏฐานไม่มีคําว่าละไม่มีคําว่าแก้เลยมีแต่คาว่ารู้แล้วก็จะเห็นน่ะพอเรารู้เราก็จะเห็นความจริงว่าทุกอย่างที่เกิดนั้นดับนี่ความจริงไปเห็นตรงนี้คือเขาดับเขาเองไม่ใช่เราไปดับเขาเข้าอหมดเวลาแล้วขอหยันเหนื่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> วันนี้พวกเขียนใหม่มาแต่เช้าเลย หือก็แนวที่โยมผู้ชายนะเสื้อเหลืองเหลืองนะี่ว่าไงโย่